เราเห็นทุกข์มันจะกวนขนไขเพื่อออกจากทุกข์คนทั้งหลายนะั้นเป็นเป็นธาตุธาตุของปัญหาของกิเลสแต่ไม่เห็นเราคิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระยิงยุคนี้นะใครๆก็รู้สึกตัวเก่งกูเก่งกูเก่งกูหน่กูหนึ่งใครก็บังคับกูไม่ได้กูไม่เป็นรองใครมีเสรีภาพมากมาย เราเข้าจริงเป็นาธาตุของตัณหาแต่มองไม่เห็นเมื่อวานที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังมีคนถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อภาวนาพ่อบอกตอนเด็กๆอ่ะภาวนาด้วยความเคยชินชอบภาวนาเด็กๆนะวันปีใหม่วันเกิดเลยเนี่ยถ้าได้ของขวัญ น, นะจะเอาผ้าห่มนะผ้าผาเช็ดตัวสีเหลืองชอบ มันนั่งห่มแล้วสวดมนต์มันชอบภาวนาโตขึ้นมามาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตดูใจมันอัศจรรย์โอ้ธรรมะอย่างนี้ก็มีด้วยนะของไม่เคยรู้ได้รู้ไม่เคยเห็นได้เห็นไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจทำไมจิตนี้วิจิตพิสดารจิตนี้ซับซ้อนมากยิ่งเรียนยิ่งสนุก แรงผลักดันที่ให้ขยันภาวนานะคือรู้สึกมันน่าสนใจมีฉันทะน่าสนใจภาวนาไปพอวนาไปนะช่วงต่อมาได้เห็นว่าจิตนี้มันถูกขังอยู่จิตเราไม่ได้อิสระมันมีเยื่อหุ้มอยู่เยื่อนี่เหนียวเหลือเกินทำไงก็ไม่ขาดคล้ายเราถูกขังในแคปซูล ใครเคยเห็นตัวใหม่บ้งตัวใหม่ที่เข้าดักแ ด, ด้แล้วนะมีเปลือกหุ้มแบบนั้นเลย ห, หุ้มอยู่จิตนี้ออกมาไม่ได้พอเห็นตรงนี้นะการภาวนาไม่ใช่ภาวนาเพราะว่ารู้สึกสนุกที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะมันภาวนาเพื่อจะเอาตัวรอดแล้วเห็นนี้มันทุกข์ทั้งนั้นเลยเราไม่เคยมีอิสระที่แท้จริงเลย เดิมนึกว่าเราอิสระใครก็บังคับเราไม่ได้เ้าเข้าจริงนะเราถูกอ า, า, วาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่เราถูกตันหาสั่งงานอยู่อาสวะกิเลสห่อหุ้มจิตเอาไว้ตันหาหนะสั่งงานสั่งให้อยากโน่นอยากนี่ทั้งวันนี่มันเป็นเจ้านายที่แสนฉลาดเวลามันสั่งงานเรานะถ้าเราตามใจมัน มันจะโยนความสุขให้เรานิดหนึ่งแล้วรีบสั่งงานชิ้นใหม่ทันทีเลยร้ายมากเลยจะเป็นเจ้าของบริษัทก็อมหิตมากเลยมันให้รางวัลเรานิดเดียวนะคือมันโยนความสุขให้เราชั่วแวบเดียวเองเราก็ใช้ให้เราดิ้นหาความสุขไปอีกนานเลยดิ้นไปตามที่มันสั่งอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่เพลิดเพลิน เราก็ต้องดิ้นตามที่มันสั่งตามที่มันอยากพอได้อย่างที่อยากก็ได้รางวัล น, นิดนึงสุขสั้นๆ น, นึกออกไหมในชีวิตเราเนี่ยเวลาเราสมหวังแต่ละคราวเนี้ยมีความสุขแว บ, บเดียวสั้นนิดเดียวเลยเดี๋ยวมันก็สั่งงานใหม่ละอย่างบางทีเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือมานะโอรุ่นใหม่เก็บเงินตั้งนานเนี่ยซื้อมา ซ, อซื้อมาอันลเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อันละสองหมื่้า ซื้อมาเจ๋งมากเลยสองหมื่นห้าภูมิใจมาถึงที่ทำงานนะเจอเพื่อนซื้อมารุ่นเดียวกันเลยเราชักจ่อ ย, อยมันมีเหมือนกันนี่ความสุขของเราหายไปละถามแม่เองซื้อมาเท่าไหร่สองหมื่นสีพันก้า้อยห้าสิบบาทโอ้โหเจ็บใจความสุขนี่กระเจิงเลยแทบจะกว้างโทรศัพท์ของเราทิ้งเลยนี่ความสุขมันสั้นนิดเดียวแค่นี้ ใครเคยเล่นแชร์บ้างมีความสุขแว บ, บเดียวใช่ไหมส่งกันนานเลยมีความสุขตอนเปียได้ <c oughs> หรือถ้าเป็นเท่าแก่นี้ก็ไว้กินมือสุดท้ายถ้าเป็นเท่าแก่นี้กะจะเล่นมือสุดท้ายนะี่ยใจคอไม่ค่อยดยีกลัวมันจะไม่ถึงมือสุดท้ายเราได้เงินมามีความสุขสั้นๆ น, นะแต่กลุ้มใจยาวมากเลย ส่วนในพวกที่ขยันเปียนะได้ความสุขสั้นๆนิดเดียวนะตอนได้เงินมาแล้วส่งอีกนานเลยความสุขมันสั้นอย่างนี้เสมอเนี่ยปัญหาฉลาดมันสั่งให้เราตอบสนองมันแล้วมันก็โยนความสุขสั้นๆให้เราแต่ถ้าเราไม่ทําตามที่มันสั่งมันลงโทษทันทีเลยอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากกลุ้มใจไหมทุกข์ไหมทุกข์ทันทีเลย ดั้มันเป็นเจ้านายที่ฉลาดมากนะสุดขีดของความเป็นเจ้านายเลยอันแรกมันปกครองเราโดยเราไม่รู้ว่าถูกปกครองเรานึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองที่แท้เราถูกสั่งตลอดอันที่สองมันรู้จักให้คุณเพื่อหลอกล่อให้เราทำงานให้มันต่อไปเป็นทาสของมันต่อไปอันที่สามมันรู้จักให้โทษถ้าเราไม่ทำเราจะถูกลงโทษเราจะทุก เรียความร้ายกาจของมันคือพอภาวนามาเห็นตรงนี้นะทนไม่ได้แนละ้วยังไงต้องฆ่ามึงให้ตายให้ได้เลยหาทางภาวนาทําไงจะพ้นจากมันภาวนาแทบแย่นะทําเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ฆ่ามันไม่ตายหาทางละตั้หาละไม่ได้ไม่รู้จะละยังไงภาวนาไปโอ้แรมปีนาน ไม่รู้ว่าเพราะอะไรจิตถึงไม่ปล่อยนะที่จริงก็คือจิตไม่รู้อริยสัจเมื่อวานถึงสอนเรื่องอริยสัจครูเจ้าท่านพูดนะถ้าตรับใดที่ยังไม่รู้อริยสัจก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกอริยสัจนี่สำคัญนักสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปกับนามขันห้าหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ สิ่งที่เรียกว่าสมุทยัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัวตันหาหน้าที่ต่อตันหาคือการละเมื่อละแล้วก็จะสัมผัสนิโรดนิโรตคือความดับสนิทแห่งทุกข์คือนิพพานหน้าที่ต่อนิพพานไม่ใช่ทําให้เกิดแต่เข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์นิพพานนิพพานมีอยู่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ๆ ไม่เหมือนมรรคผลนะมรรคผลเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเนนิพพานไม่เกิดไม่ดับมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นโลกุตรธรรมแต่ยังแยกออกเป็นสองส่วนตัวมรรคสี่ผลสี่เป็นโลกุตรธรรมที่เกิดดับอริยามรรคเกิดขึ้นชั่วขณะจิตแล้วก็ดับอริยผลเกิดขึ้นสองสามขณะจิตแล้วก็ดับ แต่นิาพานไม่มีเกิดไม่มีดับงั้นหน้าที่ตอนิาพานไม่ได้ทําให้เกิดจะเข้าไปเห็นแล้วเข้าไปสัมผัสใจที่มีคุณภาพสะอาดหมดจดพอจะสัมผัสกับพนิาพานมีความสุขนิาพานนิาพานังประมังสุขขังนิาพานเป็นบรมสุขเราไปสัมผัสบรมสุขเข้าเราก็ต้องรู้จักมรร มักมีองค์8มดมักมีหนึ่งะแต่มีองค์ประกอบ8ไม่ใช่มักมี8ตัวนะมักมีหนึ่งเดียวคืออริยมักแต่มีสชั้นนะโสดาปฏิมาศริกตาคามีมักกนาคามีมักอรหัตตมัตถือว่ามักแต่ละมักก็มีหนึ่งท่แต่ในหนึ่งนั้นมีองค์ประกอบ8ปดคล้ายแมงมุมมีตัวเดียวแหละแต่มี8ขาทั้ง8ขานี้ช่วยกันทํางาน แต่จะเทียบกับแมงมุมก็ไม่เหมือนทีเดียวลักษณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยคล้ายๆคนโบราณเขาเก่งนะเขาสร้างภาพพระนาคปลกุกนึกถึงภาพพระนาคปลกออกไห้ใครเคยเห็นใครไม่เคยเห็นเลยยกมือซิมีไหมไม่มีนะนึกว่ามีใช่ลองเลือกให้ไม่มีก็ไม่ให้ไม่ไม่รู้จักเคยเห็นแล้วไม่ต้องให้นะพระนาคปลกมีกี่เศียร น, นาคมีกี่เศียร นั่มีกี่หัวสามหัวหนึ่งหัวห้าหัวเจ็ดหัวเก้าหัวหรือนาคพันหัวนั่งันหัวนางหัวแตกนั่องพันไว้นา่มีเจ็ดหัวหมายถึงอะไรหมายถึงองค์มรรคทั้งเจ็ดยกเว้นอยู่หนึ่งมรรคคือสัมมาสมาธิสมมาสมาธินั้น สร้างขึ้นมาสัญลักษณ์ก็คือรูปพระที่นั่งอยู่เพราะนพระนักปลกต้องนั่งสมาธิมีนาคเจ็ดเสียนถ้าเราผิดจากนี้แสดงว่าไม่รู้ความหมายของพระนักปรกพระนักปลกคือสัญลักษณ์ของอริยมรรคมีองค์แประการเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิหนึ่งนะแล้แวดล้อมด้วยนาคทั้งเจดจะทำนาคเจ็ดตัวมันก็เกะกะไป มันจะเหมือนขยุ่มพรญาติอะไรงนั้นไปเลยทำนาคตัวเดียวแต่ให้มันมีเจ็ดหัวซะก็ะมีสั ญ, ญลักษณ์ที่ดีนะทั้งเจ็ดนะรวมรวมลงมาตรงกลางใช่ไมตรงนี้มเจ็ดหัวรวมลงมาที่ตัวนาคเนี่ยลงมาที่ตัวพระที่นั่งตรงที่องค์พระที่นั่งเป็นการบอกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นที่รองรับองค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือ ให้ประชุมลงที่เดียวกันคือที่จิตเราในขณะเดียวกันเพราะนเวลาที่องค์มรรคทั้ง7็ดเนี่ยไม่ใช่ตัวอริยมรรคนะองค์มรรคทั้งเจ็ดเนี่ยมารวมลงด้วยกันที่จิตรวมลงด้วยอํานาจของสัมมาสมาธิก็เกิดอริยมรรคขึ้นเะฉะน้นเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเราค่อยๆพัฒนาองค์มรรคทั้งเจ็ดให้มีพลังแก่กล้า ส่วนสมาธินั้นทิ้งไม่ได้เลยขาดเต้องฝึกฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ต้องฝึกเข้าชาญอะไรมากมายหรอกฝึกไม่เผลอฝึกให้จิตใจมันอยู่กับตัวเองหายใจออกรู้สึกหาใจเข้ารู้สึกเพื่อจิตใจอยู่กับตัวเองไม่ไหลไปเรียกมีสมาธิตัวสมาธิที่จิตรวมลงที่จิตตรงนี้แหละสาคัญที่สุดสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิชนิดที่หนึ่งเรียกอา ร, รมณ์นูปนิชานจิตรวมเข้ากับอารมณ์ อันนี้ใช้ทำสมสถะเช่นรู้ลมหายใจจิตไปอยู่กับลมหายใจเป็นสมสถะรับรองว่าอาริยมรรคไม่เกิดสมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเราก็เห็นสภาวะธรรมเกิดดับเจริญปัญญาไปเวลาที่อริยมรรคเกิดจะเกิดที่จิตเพราะฉะ้นต้องใช้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเรียกว่าลักขณูปนิชฌานยันในขณะที่เราเจริญวิปัสสนานะ เราใช้ลักขโนปนิชานจิตตั้งมั่นเหน็นอารมณ์เกิดดับแสดงไตรลักษในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลใช้รักขโนปนิชานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเพราะอาริยมรรคอริยผลเกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นในขณะที่จะทำสมาธิของพระริยาบุคคลที่เรียกว่าพระราชสมบัติใช้รักขโนปนิชานเหมือนกันมีจิตอยู่ที่จิตแต่ว่าพระริยาบุคคลท่านก็เลือกได้ อยากจะใช้อารมณูปนิชานก็ได้ใช้รักขณูก็ได้อย่างน้อยที่สุดพระโสดาขึ้นไปนยอย่างน้อยที่สุดได้ปฐมฌานขั้นต่ำสุดอัตโนมัติเลยเป็นของแถมการสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นเรื่องใหญ่พวกเราต้องฝึกสมาธิที่จิตเคลื่อนไปสงบไปเคลิบเคลิ้มอะไรนีถ้าไปเคลิบเคลิ้มนี่ขาดสติเป็นวิชาสมาธิ ถ้าเคลื่อนไปสงบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะนิ่งนิ่งอยู่กนะ็เป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนะสําหรับปุถุชนแล้วสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยใช้ทํำวิปัสสนาเหมือนเรายือนอยู่บนบ้านเหน บ, บ้านเราเป็นตึกแถวริมถนนเราอยู่บนบ้านชั้นสองชั้นสามองลงไปที่ถนนเราไม่โดดลงในถนน เราอยู่บนบ้านอยู่ที่เดียวแหละแต่เห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเห็นคนเดินไปเดินมาเห็นอารมณ์ผ่านไปผ่านมาล้วจะเห็นว่าสิ่งใดผ่านมาสิ่งนั้นก็ผ่านไป น, นี่ค่อยๆดูค่อยๆฝึกนะค่อยเรียนค่อยรู้ไปแล้ววันหนึ่งเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นไม่มีใครสั่งอริยมรรคให้เกิดได้อริยมรรคเกิดเอง ศีลสมาธิปัญญาแก่รอบศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกระจายออกไปก็คือองค์มรรคทั้ง8นั่นเองตัวศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะตัวสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสมาธินี่อยู่ในกลุ่มของสมาธิ สมาทิทีิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นส่วนในกลุ่มปัญญานะย่อลงมาในมัคมีองค์8ย่อลงมาคือศีลสมมาทิปัญญาก็เราต้องฝึกศีลเบื้อง ต, ต้นตั้งใจรักษาไว้ก่อนตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจเราจะรักษาศีลห้าต้องตั้งใจรักษาศีลห้าไม่ต้องศีลแปดคารวาสถือศีลห้าให้ประจาไวเอาให้ได้ ถือศีลแปมากๆนะถ้าทำงานหนักนะจย mm hmm. โรคกระเพาะกินทำไม่ได้หลวงพ่อจะบอกให้หลวงพ่อภาวนามาแต่เด็กนะตอนเป็นโยมเนี่ยห mm hmm. ลวงพ่อไม่เคยถือศีลแปดเลยศีลห้าเท่านั้นแหละ mm hmm. พระถึงก็ถามเลยว่าโยมทำได้ไงพระทำสิบปียี่สิบปีโยมทำปีเดียวหลวงพ่มทำแต่ตื่นจนหลับมีสติ รู้กายรู้ใจเรื่อยไปมีจิตเป็นคนดูตั้งมั่นอยู่ต้องฝึกนะค่อยคฝึกค่อยๆทําเบื้องต้นตั้งใจรักษาศินห้าตั้งใจเวะลาหลายๆรอบถ้าตั้งใจเวะลารอบมันน้อยไปเดี๋ยวก็ลืมเตือนตัวเองเรื่อยๆว่าเราจะมีศินห้าตื่นนอนขึ้นมาเตือนสักทีหนึ่งจะกินข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นเนี่ยได้อีกสามรอบแนละ้วก่อนจะกินแนละ้วเตือนตัวเองจะถือศินห้า เผื่สำลักข้าวตายหลวงพ่อเคยเจอนะกินข้าวแล้วเกิดสะอึกทีเดียวนะข้าวเข้าหลอนลมตายเลยลม้มลงไปชักเดกเด็กเด็ดใครก็ช่วยไม่ทันไม่รู้จะเทปยังไงด้ยงั้นตื่นนอนตั้งใจรักษาศิท5ก่อนจะกินข้าวเช้าข้าวกลางวัน ข, ข้าวเย็นตั้งใจรักษาศิทธห้าก่อนจะนอนก็ตั้งใจรักษาศิทธห้าเผื่อ น, นอนแล้วตายไปพวกไหลาตายสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินนะ ไม่ก่อนมันเป็นไหนมันนอนแล้วไม่ตื่นตั้งใจวันหนึ่งสักห้าครั้งอย่างน้อยนะเตือนตัวเองเรื่อยๆ เ, เวลาจะทำผิดศีลมัจะได้ละอายใจจะปฏิญาณกับพระสงฆ์ก็ได้นะแต่ถ้าไม่เจอพระสงฆ์ก็ไม่ต้องมีพระพุทธรูปก็บอกกับพระพุทธรูปมีพระห้อยคอก็บอกกับพระห้อยคอถ้าไม่มีอะไรเลยก็บอกกับตัวเองนะบอกกับตัวเองพระจริงๆอยู่ที่ใจเราเหรที่อื่นไม่ใช่พระตัวจริงหรอก พระตัวจริงสําหรับพวกเรานะอยู่ในใจเราที่เองพระข้างนอกนี่ของนอกพระพุทธเจ้าถึงบอกไปจับจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ยังไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเลยจะจับชายจีวรท่านอยู่ยังไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเลยองค์ที่ครองจีวรไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัวจริงสําหรับคนที่ไปจับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นถึงจะเห็นเราทําอยู่ที่จิตเองพระพุทธพระธรรมประสงค์ลงที่จิตดวงเดียวนี่เอง ที่สะอาด ห, หมดจนเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะถามหลวงพ่อท่านอาจารย์เห็นไหมว่าพระพุทธเจ้ากับจิตเป็นสิ่งเดียวกันหลวงพ่อนักเขารัพระพุทธเจ้ามากนะรักมากเลยพอนานี้ไม่กล้าแตะพระพุทธเจ้าก็าบอกท่านบอกว่าไม่ได้มองมุมนั้นหรอกเห็นแต่ว่าจิตกระทํานั้นเป็นอันเดียวกันจิตกระทําเป็นอันเดียวกัน ท่าบอกเฮ้ยพุทธเจ้ากับจิตแหละอันเดียวกันแล้วโอ้ทาไมท่านจะให้ดูพุทธเจ้านะก็ดูพุทธเจ้านึกถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีอะไรเรามีอะไรทําไมเป็นอันเดียวกันนะก็ดูไปเรื่อยๆ อ, อยากรู้ต่อก็ต้องมาบวชก่อนนะ เรื่องบางเรื่องก็เทศยากเอาที่เทศได้ก็แล้วกันนะเรื่องสีเนี่ยตั้งใจรักษาไว้เตือนตัวเองเรื่อยๆเ่าตั้งใจรักษาแล้วต่อไปจเจริญสติให้มากฝึกจเจริญสติทีแรกยังสติไม่ทันก็ตั้งใจรักษาไปก่อนเ ว, เวลาขาดสติกิเลสครอบงำจะตบเขาละเงื้อมือแล้วนึกขึ้นได้ อย่างนี้ก็ยังดี ต, <tinc S 1> ต่อไปเราใช้สตินี่แหละคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอยู่ที่จิตกิเลสไม่อยู่ที่อื่นหรอกงันเราหารู้ทันจิตใจตัวเองไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยพอรู้ทันกิเลสจะครอบงาจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงาจิตไม่ได้เราจะทาผิดศีลไม่ได้คนทาผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงาจิตนะเดี๋ยเราคอยรู้ทันอย่างนี้ แต่ไปศีลของเราก็จะรักษาง่ายไม่ต้องตั้งใจรักษาจะเกิดศีลอัตโนมัติเพราะเรามีสติรักษาจิตกิเลสเกิดขึ้นสติรู้ทันกิเลสครอบจิตไม่ได้จิตก็ปลอดภัยจากกิเลสจิตไม่ทําผิดศีลถ้าจิตไม่คิดจะทําผิดศีลกายวาจาก็ไม่ทําผิดศีลนะถ้าจิตมันถูกกิเลสครอบงํามันอยากทําผิดศีลมันก็มาสั่งกายวาจาให้ทําผิดศีลก็แค่นั้นเอง งั้นการรักษาศีลที่ดีที่สุดก็คือการมีสติรักษาจิตไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำกิเลสเกิดแล้วรู้ทนันกิเลสก็จะหลีกทางออกไปเองส่วนการฝึกสมาธินั้นต้องแบ่งเวลานะวันหนึ่ง15านาทีอย่างต่ำไหวพระสวมดมนต์นิดหน่อยถ้าวันไหนใจฟุ้งซ่านให้มีสติระลึกรู้อยู่ในร ม, มันเดียวที่มีความสุข คนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธไปคนไหนหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินจงกรมไปใครถนัดอะไรมีความสุขอารมณ์กรรมฐ า, านอะไรก็ทำมันนั้นแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสอย่างด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเี้ยไม่เอานะเล่นพุ่นหนวกจดจอ bleed, ่อแหมมีความสุขมากเลยเล่นอย่างนี้ยั่วกิเนะลสหรือไปตกปลาไปนะยิงนกเนียมีความสุขไปตกปลา อย่างนี้ยั่วกิเลนสมาธิดีๆไม่เกิดออกมันเกิดวิจชาสมาธิฉั้นเราหาอารมณ์ที่ดีนะอารมณ์อยู่กับพุทธโธธรรมโอสังโฆอยู่กับบทสวดมนต์อยู่ ก, กับการหายใจอยู่ ก, กับการพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกหรือดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะพิจารณาความตายคิดถึงทานที่เราได้ทําแล้วคิดถึงศีลที่เราได้รักษาแล้ว นะคิดถึงคนดีๆนะตัวอย่างของคนดีๆคิดถึงนะเรียกว่าเทวตานุสตนะิคิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจอย่านงะ น, นี้ก็ได้ทั้งนั้นเลยนะกรรมฐานอะไรก็ได้มันไม่ยั่วยกิเลสเราถนัดอันไหนเราใช้อันนั้นแหละนะใจมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่เพลิดเพลินไปที่อื่นใจก็สงบนะเพราะฉะนั้นวันไหนใจฟุ้งซ่านมาก อย่างทำงานคิดอะไรมั่วซั่วมากเหนื่อยก็ทํากรรมฐานชนิดสงบให้ใจอยู่ในอารมณ์ันเดียวเวลาอยู่ต้องอยู่แบบแตะแตะอยู่แบบแตะแตะนะอย่าอยู่แบบตะครุบเอาไว้คิดเครียดแข็งแข็งแค่รู้สึกแค่รู้สึกหายใจแล้วก็แค่รู้สึกหายใจแล้วก็แค่รู้สึกนะไม่ใช่บังคับจิตต้องไปอยู่กับลมงี้นเครียดจิตไม่มีความสุขจิตจะไม่สงบ นี่ถ้าวันไหนสงบแล้วนะทำกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งทําสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตสงบแล้วเราก็เห็นร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายนั่งอยู่จิตเป็นคนดนะูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูค่อยๆหัดไปนะดูไปเรื่อยๆหัดแยกไปเรื่อยแล้วถ้าใจมันหนีไปใจมันหนีไปคิดนะหรือมันหนีไปดูเช่นมันเห็นร่างกายหายใจเนี่ยใจไหลไปอยู่ที่ร่างกายเนี่ยให้รู้ทัน จุดสำคัญของการฝึกสมาธิอย่างที่สองเนี่ยอยู่ที่การรู้ทันจิตของตนเองไม่ใช่รู้รู้อารมณ์ละนะอย่างที่หนึ่งสมาธิอย่างที่หนึ่งนะไปรู้อารมณ์อย่างสบายบายจิตก็สงบอย่างที่สองเนี่ยรู้ทันจิตตัวเองรู้อารมณ์แล้วรู้ทันจิตรู้อารมณ์เพื่อจะรู้ทันจิตอารมณ์เป็นแค่แบ็กกราวตัวสำคัญที่จะดูคือจิต เช่นพุทโธก็ไม่ใช่ม <um ุ่งเอาความสงบใช้จ yes, ิตไปอยู่กับพุทโธพุทโธเล่นเล่นพุทโธแล้วจิตหนีไปก็รู้พุทโธแล้วจิตหนีไปก็รู้ฝึกอย่างนี้นะหรือหายใจไปไม่ใช่ฝึกให้จิตไปอยู่กับลมหายใจหายใจไปแล้วรู้ทันจิตจิตเป็นตัวพระเอกเป็นตัวนางเอกที่เราจะดูไม่ใช่ตัวลมหายใจจะไม่เหมือนกันนะสมาธิอย่างแรกลมหายใจเป็นพระเอกพุทโธเป็นพระเอกสมาธิที่จิตจะตั้งมั่น เป็นคนดูเนี่ยจิตเป็นพระเอกลมหายใจหรือพุโทโธ น, นั่นเป็นแบ็คกราวน์นะ้เราพุโทโธเล่นๆหายใจเล่นๆแล้วคอยรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดให้รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้จิตเคลื่อนไปที่ไหนก็รู้เรื่อยๆไม่ห้ามเคลื่อนเคลื่อนเรารู้เอานะด้วยวิธีนี้จะทำให้ได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะทันทีที่จิตมันเคลื่อนนั้นมันเคลื่อนด้วยอานาจของโมหะ ทีเรียว่าอุทัดจะความฟุ้งซ่านเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นกิเลสไม่มีเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติอาศัยสติอีกนั่นแหละรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไหลไปทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจไหลไปคิดเป็นส่วนใหญ่ไหลไปทางอื่นนี่น้อยเวลาเราฝึกกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตาใช้หูใช้จมกูกใช้ลิ้นนะเหลือแต่กายกับใจ งั้จิตก็จะไหลไปที่กายที่ใจนี่แหละเช่นเดินจงกรมอยู่จิตถ้าไหลไปอยู่ที่กายไปอยู่ที่เท้ารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจนี่ไปอยู่ที่กายหรือบางทีก็ไหลไปคิดอยู่ที่ใจงั้นคอยรู้ทันจิตที่เกิดมากที่สุดนะคือจิตไหลไปคิดเกิดบ่อยที่สุดงั้นเมื่อไรจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้สติจะเกิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่ามันเกิดบ่อยการไหลคิด เมื่อก่อนสอนใหม่ๆน่ะบางคนมันดื้อนะลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงพ่อขอประจานขอประจานหลวงพ่อบอกให้มันหายใจแล้วก็คอยรู้สึกไปหายใจแล้วรู้สึกไปจำไม่ได้ละสอนอะไรมันนะแต่ว่าให้ทํากรรมฐานแล้วก็คอยรู้สึกเอากรรมฐานที่ ilee. สอนเนี่ยกรรมฐานที่พระเจ้าสอนเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เกิดตลอดเวลาเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็ไม่มีช่องโหว่ที่จะไม่รู้สึกละเพราะเราหายใจออกหายใจเข้าทั้งวันอะ ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวก็แทบจะไม่มีช่องโหว่ละเพราะถ้า ว, วันวันหนึ่งเราก็ยืนเดินนั่งนอนไอ้คนนี้นทีนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนั้นบอกว่าผมจับหลักได้ละที่หลวงพ่อสอนต่อไปนี้ถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวปีหนึ่งฟ้าร้องกี่ทีนะนานๆฟ้าร้องทีหนึ่งมไม่จะไปได้อะไรนะกรรมฐานต้องเป็นของที่เกิดตลอดเวลามีให้ดูตลอดเวลามันถึงจะได้ฝึกสติให้ชำนิชำนาญ งั้นอย่วดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนกรรมฐานอะไรไว้ก็ทำอย่างที่ท่านสอนนั่นแหละเป็นกรรมฐานที่เกิดตลอดเวลาค่อยรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปอะไรเงี้ยอิริยาบถสี่รู้สึกไปแล้วถ้าจิตหนีไปเรารู้ทันจะหนีไปสองอย่างใหญ่ใหญนีไปคิดกับห น, นีไปเพ่งเช่นเรารู้ลมหายใจเรารู้สึกตัวรู้สึกจิตรู้สึกใจเนี่ย พอเผลอปุ๊บก็ไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจบ้างหนีไปคิดเรื่องอื่นบ้างมันไม่เผลอไปก็เพ่งไว้ก็แค่นี้เองก็งคอยรู้ทันจิตที่เผลอรู้ทันจิตที่เพ่งนะทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เผลอรู้ทันจิตที่เพง่งก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมันตั้งของมันเองเพราะอะไรเพราะมันไม่ฟุง้งซ่านนะมันจะตั้งอยู่ที่ฐานถัดจากนั้นถึงขั้นเจริญปัญญานะ ต่ปัญญาสอนวันนี้ไม่ทันแะล้วค่อยไปเรียนพรุ่งนี้วันนี้ได้เวลากินข้าวไปกินข้าวนี่หมดนะครับ